วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันารอยเจ็ดณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่ออกจากธรรมะคำส อ, สอนของพระ พ, พุทธเจ้าเป็นเครื่องสักพอกจิตใจของผู้ฟัง ท่านวรมยานิสงฆ์ห้าประการข้อหนึ่งผู้ฟังทมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินในฝังสองสิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วจะมีความเข้าใจแก่แจ้งขึ้นอีกข้อสามจะบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ภายในใจเสียได้ ข้อสจะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตผู้ฟังธรรมย่อมได้รับความสงบเยอบือกเย็นเป็นจิตอันผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมนั้นอานิสง์ทั้งห้านี้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะตั้งเท เพราะนั้นสาวกของสมเด็จพระภูมิตรพระภาคเจ้าจึงมีความใคล้ต่อการฟังเทศจากพระองค์ท่านเสมอดังลายถึงกับก ร, รัสนรู้ธรรมในที่ต่อพระภักของพระโพธ เ, เจ้าก็มผูเดินนำข้าออาักข้อธรรมไปปฏิบัติโดยลำพังตนเอง ได้ัรัะรู้อยู่ในที่ต่างๆก็มีตามประวัติมีไว้อย่างนั้นท่านจะเทศเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของศัตร์ของบุคคลมีแต่ เป็นเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนก็ตามโตรดได้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงกับเรื่องของเราที่มีลักษณะเช่นเดียวกันมีท่านเรียกว่าโอปะยิโกทมภายนอกก็กลายเป็นสมบัติภายในได้ ธรรมสันทิทโกทาทั้งหลายจะไม่เลยสายเหงสายตาของเราไปได้และจะไม่เลยความรู้สึกของเราที่จะต้องผ่านเป็นสิ่งที่จะเห็นและได้ยินแน่นอมเข้ามาปฏิบัติภายในตัวเองเรื่องอำนาจวาสนา เราอย่าไปคาดคะเนและอย่าไปตำหนิกิ้โทษตัวเองว่ามีอำนาจวัจสนา้อยมีเป็นเหตุที่จะให้ ท, อทอห้อถอยต่อการบำเพ็ญเพื่ อ, อความเพิ่มพูนอำนาจปัสนาของตนให้มากขึ้นทุกอย่างต้องไปจากของเล็กน้อยจะมากขึ้นทีเดียวนั่นก็หายากอยู่ ความสั่งสมเทียเล็กเทียน้อยก็กลายเป็นของมากขึ้นมามีก็เพราะอำนาจความเพียนเราพยายามปรับปรุงตัวของเรามาตั้งแต่เป็นเด็กแต่เริ่มเข้าโรงเรียนศึกษาความรู้ต่างๆจากครูมาเป็นลำดับจากครูนั้นบางครูนี้บางจากโรงเรียนนั้นบางจากโรงเรียนนี้บ้าง แล้วก็ น, นำมาปรับปรุงตัวเองบรรดาความรู้วิชาทั้งหลายที่เรียนมาก็กลายเป็นประโยชน์สาหรับเราคือทั้งเรียนทั้งปรับปรุงมีทั้งภาคศึกษาและภาคปฏิบัติอยู่นในตัวของเราเสร็จเมื่อเราได้พยายามศึกษาและพยายามปรับปรุงตัวเองตามหลักวิชาที่เราเรียนมาจากที่ต่าง แล้วก็กลายเป็นคนมีความรู้ความฉลาดสมบัติทั้งหลายก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ความฉลาดสามารถที่จะเลี้ยงตัวคุ้มและสามารถที่จะทำการเฉลีย่ยเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการดัดแปลงไป ศึกษาระเรียนวิชาจากครูก็ต้องดัดแปลงตนเองเวลาเรายังเป็นเด็กควมีความรู้ความฉลาต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ดัดแปลงบังคับบัญชา เข้าโรงเรียนออกมาแล้วก็ต้องบังคับบัญชาอยู่ในบ้านก็ต้องบังคับให้ดูหนังสือต้องมีกิจมีการงานให้ทำบังคับอยู่เสมอเพื่อให้เป็นความเคยชินแต่แก่เด็กเมื่อโตขึ้นมาก็รู้เรื่องการบังคับตัวเองโดยไม่ต้องให้พ่อแม่บังคับบัญชานอกจากจะเหลือความรู้ความสามารถของตนเองแล้วพ่อแม่จะแนะนำตัดเืรนบ้าง มีวิธีดัดแปลงตวเองดัดแปลงมาเท่นนั้นจนถึงได้เป็นผู้ใหญ่ของเด็กหรือของนักเรียนหรือของหมู่ชนในกลุ่มนั้นๆนี่นนเนื่องมาจากการดัดแปลงมาเลยเป็นมาจากเหตุอื่นทนี่เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปในทางด้านธรรมะก็โปรดได้นําเรื่อง ที่คือที่ความเป็นมาของเรานั้นในทางโลกนั้นเข้ามาเทียบเทียงกันเม่เท่าที่เราได้เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นมาจากการฝึกฝนอบรมตนเองตามหน้าที่การงานและตามเพศตามวัยของตนเมื่อเรานําอุบาวิธีนั้นเข้ามาดัดแปลงตนเอง ทางด้านจิตใจก็ยอมใจรับผลประโยชน์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ก็ดีพระสาวกทุ ก, ทกของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ก็ดีก่อนจะมดจดพิเศษเป็นคนประเสริฐในโลกและเป็นแสนนาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้ล้วนแล้วตั้งแต่ ได้รับการดัดแปลงฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอมันด้เกิดขึ้นมาโอาเคเฉยธรรมดาจิตมุ่งต่อการรับรู้อยู่เสมอไม่ว่าทางดีทางชั่ว จิตมีความยินดีรับรู้ทั้งนั้นดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบดีก็ทำชั่วก็ทำแล้วแต่ธรรมชาติอันหนึ่งจะบ่งการออกไปเช่นคนที่มีนิสัยในทางต่ำก็มีธรรมชาติ ที่ฝังอยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติอันต่ําขัดดันให้ทําผู้ที่จะเป็นไปในทางดีก็คือนิสัยที่เคยอบรมความดีมานั่นแหละเป็นเครื่องชักดึให้สูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองดูดไกลนักหนาเพียงมองดูในเมืองของเราประเทศของเราเราก็เห็นแล้วมามีได้ทั้งคนดีคนชั่ว คนที่ชั่วชั่วยังเด่นชัดชั่วจนถึงคํำความเดือดร้อนเจ้าบ้านเมืองถ้าจะปล่อยไว้ตามลำพังแล้วจะทำบ้านเมืองให้ร่มจมด่เดือดร้อนมากเขาก็จับใส่กุงขังไว้แล้วจับโทษเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเอาจาคุกไว้เขาเรียกว่านักโทษ คนประเภทเหล่านี้คือคนทําตามอัตโนมัติของตนเบื้องต้นการรับการอบรมจากคนพาลเช่นเดียวกันบ้างและมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้าง <c oughs> เมื่อได้รับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนลักษณะที่เราเห็นเช่นนั้นคนที่ดี ก็ต้องอาศัยสิ่งที่ดีเป็นเครื่องชักจูงท่านจึงกล่าวไว้ในมงคลว่อาอเซวนาจะบาลานังปันนิตานันจะเซวนาให้สอบแสวงหาคนดีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจและจะได้คติจากคนดีนั้นมาเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมตนเองเราก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนอย่างคนประเภทนั้น มีว่าปณิตานันจะเซวนาให้คบค้าสมาคมกับนักบัณฑิตนักปราชญ์ mm hmm. เมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องความละเอียดของจิตว่าไม่มีอันใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตลวงนี้ไป และในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะหยาบช้าลามกยิ่งกว่าจิตดวงพยศ ด, ดวงนั้นเรื่องจิตที่จะเป็นจิตดวงพยศก็ต้องอาศัยการส่งเสริมไม่มีการส่งเสริมไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในทางเช่นนั้นแล้วจิตจะเป็นจิตที่ชั่วช้าลามกมาไม่ได้ จิตที่ดีก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือการปรับปรุงแก้ไขอบรมตนหนึ่งให้รับผลเป็นความสุขความเจริญแล้วก็ถือเอาหลักคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมคำดีนั้นเป็นสักขีพยานในต้นทางแล้วพยายามอบรมให้สูงขึ้นเป็นลําดับ เราอย่าปล่อยตามอัตโนมัติของใจใจนี้ตามธรรมดาจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จะมีสิ่งขักดันอยู่เสมอทั้ง ว, วันทั้งคืนเดินด น, ด น, นั่งนอนแต่เราไม่ได้สังเกตเฉยๆว่าอะไรเป็นเครื่องขักดันจิตของเราให้มีความอยากต่างๆอยากดีก็ตามอยากชั่วก็ตาม คืออยากทำดีก็ตามอยากทำชั่วก็ตามต้องมีสิ่งผลักดันอยู่ภายในนี่เราอย่าลืมอนเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมหรือท ร, รมานจิตใจนี่จึงเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญมีพระพทุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอบรมมาจนเพียงพอ ก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ต้องเป็นคนมีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อมีกิเลสซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมส่วนต่ำเครือบแสงอยู่ภายในใจแล้วต้องมีความอยากเป็นต่างๆแต่อาศัยความดีอีกข้างหนึ่งด้านหนึ่งผลักดันเอาไว้ หรือกั้นกลางของห้ามความอยากประเภทนั้นเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของความดีประเภทนี้พระองค์จึงพยายามฉุดลากจิตใจจนพ้นจากความผลักดันส่วนต่ำนั้นเสียขายุงจิตใจให้สูงขึ้นเป็นรนดับจนพ้นจากเรื่องของมารซึ่งเคยผลักดันมานั้นได้ กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามการฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานตนเองเป็นการทำได้โดยสะดวกเราแนะนำสั่งสอนเราเองฝึกฝนอบรมเราเองจะหนักบ้างเบาบ้างไม่มีความเสียหายหรือไม่มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนอันใด ถ้าเป็นผู้อื่นมาแนะนําสั่งสอนหรือมาดุด่าว่ากล่าวเราแทนที่จะให้ดีไปตามคำแนะนําสั่งสอนของท่านแต่กลายเป็นเครื่องเสริมความชั่วดุจกิเลสให้เกิดมีขึ้นภายในใจของเราก็อาจเป็นได้เพราะไม่พอใจในคำแนะนําจากเอ น, นสั่งสอนของท่านหาว่าทัานดุบ้างด่าบ้างเช่นพ่อแม่ของเราเป็นต้น แนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวบุญอยากจะให้ดีแต่บุตรกลับโกรธไปก็มีแย่หาว่าพ่อแม่กลยู่พ่อแม่โกรธหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่ช่งางทั้งทั้งที่ท่านเขาเลี้ยงเรามาจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะเราแต่ก็คิดไปแห่นั้นเสียมีเรื่องคนอื่นสั่งสอนอบรมเราจึงเป็นการลําบากยิ่งกว่าเราจะสั่งสอนเราเองให้เราเทียบใกล้ เหมือนอย่างพ่อแม่สอนเราเนี่ยเราทุกคนต้องได้รับคําสอนจากพ่อแม่และในขณะเดียวกันเราต้องได้โกรธให้พ่อแม่ไม่คำใดก็คําหนึ่งหรือไม่ครั้งในก็ครั้งหนึ่งทุกๆคนแต่การอบจมทรมานตนเองนี้รู้สึกจะไม่ค่อยตากฏว่าได้รับการเดือดร้อนการ โกรธหรแค้นต่างๆให้ตัวเองนอกจากจะเห็นคุณนานิสงเกิดขึ้นจากการฝลกผลอบรมตนเองหรือการทรมานกดขี่บังคับตนเองเท่านั้นวันนี้ต้องทําอย่างนั้นนะให้มีความสัตว์ความจริงต่อตนเองไหมแต่เลยขีดที่กําหนดนี้ไปไม่ได้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายวันนี้ ร่างกายอันนี้ได้เลี้ยงมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่มีใครสามารถมาเลี้ยงได้เท่ากับเราเลี้ยงเราแล้ววันนี้เราจะพยายามหาคุณงามความดีให้แก่ร่างกายจิตใจของเรานี้จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นขีดเส้นตายไว้ให้เช่นเรานั่งภาว น, นาเอาระยะแรกขนาดสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีค่อยขยับ ไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นควรจะขยับยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็ต้องตั้งคำสัตว์หนุนหลังเข้าไปอย่ายอมให้เคลื่อนคาดคำสัตว์นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหนุนเราให้มีความจริงหรือมีความอัดหารต่อหน้าที่การงานของตนจะต้องทำถ้าว่าได้เคยโกหกตัวสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วคนนั้นไม่ค่อยมีความจริงประจาตัวเลย แทนที่จะไปก็กลับมาแทแทนที่จะทำก็หยุดเคียแทนที่จะทำมากก็ทำน้อยอีกอย่างหนึ่งไม่ทำเสียนี่คือเรื่องโกหกตนเองไม่มีผลนใดพ้นดีอะเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นคนหลักรอยไปเท่านั้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคำสั์นี้เป็นสิ่งจำคันมากคือเราล้อมรั้วไว้ไม่ให้ออกจากวงรู้ั น, นี้เช่น เ, เราล้อมไว้้วยเวลา เอาเวลาเท่านั้นจึงจะลุกจากที่ในขณะนี้จะเป็นก็ก็ยอมให้สถานที่นี้เป็นแปด ป, ป่าชาของเราเสียเพียงเราจะนั่งขนาดชั่วโมงเนี่ยจะทายก็ก็มอบไว้ที่นี่เสียในขณะที่ทุกเกิดขึ้นอย่าหนีจากเรื่องของทุกทุกเกิดขึ้นที่กรงไหนให้กำหนดจุดที่ทุกเกิดขึ้นนั้น แล้วถามหาเหตุหาผลให้ชัดเจนว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากไห น, นอะไรเป็นทุกข์สมมติว่าเกิดขึ้นในขาของเราขออภัยมากๆขออธิบายตามหลักความจริงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังโดยเปิดเผยสมมติว่าขาเจ็บที่ขา ขานี้มีอะไรอยู่บ้างที่รวมกันอยู่ที่เรให้ชื่อว่าเป็นขานี้มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วถามไปทีละชิ้นละชิ้นทุกนี้จะเกิดหรือจะอยู่ที่จุดไหนแน่อะไรจะเป็นตัวทุกขทีท่ีแท้จริงถามดูหนังก็ไม่ได้ความว่าหนังหรือเป็นทุกหรือทุกเป็นหนัง ถามที่โกงไหนให้มีความจดจ่อไว้ที่โกงนั้นอยากให้เคลื่อนถามว่าหนังเป็นทุกข์หรือก็ให้ดูหนังให้ชัดคือชัดด้วยความรู้สึกจะไม่ชัดด้วยตาเนื้อก็าตามขอให้ชัดด้วยความรู้สึกเป็นมโนภาพถามเข้าไปถึงเนื้อว่าเนื้อหรือเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์นี่เป็นเนื้อก็ก็ให้จดจ่อคงนั้นอยากให้สติ กับความรู้สึกเคลื่อนคาดจากจุดที่ถามนั้นนีเรียกว่บรอมรั่วาตายตัวไว้กับเราแล้วถามเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกส่วนไหนเป็นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อถามเข้าไปถามเข้าไปจะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นทุกข์เลยหนังก็เคยมีอยู่นั่นตั้งแต่ทุกข์นี่ยังไม่เกิดและทุกข์ดับไปแล้วยังปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นเนื้อเอ็งกระดูกทุกชิ้น ในจุดที่เราว่าเป็นกองทุกข์นี้จะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นกองทุกข์เลยนอกจากทุกข์ก็เป็นทุกข์เท่านั้นอาการนั้นๆก็เป็นอาการนั้นๆอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะว่าหรือประกาศตนว่าเป็นทุกข์นี่เป็นวาละหนึ่งวาละที่สองคำที่วันนี้เป็นทุกข์นั้นเขาได้มีความรู้สึกตัวเขาไม่ว่าเขาเป็นทุกข์ตามความเข้าใจของนัก ถามตัวจุดที่ทุกข์ซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นแล้วดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดอีกว่าทุกข์นี้เขาได้รู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นทุกข์และทุกข์นี้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนที่รู้ว่านี้เป็นทุกข์เมื่อถามเช่นนั้นแล้วก็ให้ดูทุกข์นั้นให้ชัดอีกคือให้จ่อ เอาเอาความรู้สึกจ่อไว้กับทุกนั้นเมื่อถามกลับไปกลับมาอยู่โดยมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่ภายในวงแห่งการพิจารณานั้นจิตจะไม่มีโอกาสส่งกระแสออกไปสู่ภายนอก ซึ่งนอกจากหลักของอุปนสัยแล้วจะต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งเรื่องของส่วนแห่งกายด้วยทั้งเรื่องของใจผู้เป็นเจ้าตัวการให้ชื่อให้นามและรับรู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายนั้นด้วยและจะทราบทัดว่าอาการทั้งหลายก็ดีทุกข์ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ก็ดี ว่าเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งงเท่านั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทางนี้ได้เคยให้ร้ายแก่ผู้ใดนอกจากกิจผู้สาคัญผิดวงเดียวเท่านั้นแน่น้อมตัวเข้าไปคุกค้าวกับเรื่องของทุกข์กับเรื่องของกายสิ่งทั้งหลายแล้วนี้จึงกลายเป็นเรื่องของใจขึ้นมาโดยความสำคัญของใจเอง แล้วก็มีความเดือดร้อนภายในตนเองเท่านั้นไม่เห็นมีอนไรมีวิธีกำหนดเวทนากายกับเวทนาวันต้องวิ่งประสานกันกับจิตด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ากายเวทนาจิตทำจึงทำงานในหน้าที่และขณะเดียวกันไม่ได้มีก่อนมีหลังกันเลยเนื้อเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็เหมือนกันเช่นนี้ ไม่มีงานชิ้นใดในอิยศัสตร์งั้นจะทำก่อนทำหลังกันนอกจากจะประสานกันไปพอจับจุดหนึ่งก็กระเทือนถึงกันหมดในบรรดาอิยศัสตร์ทั้งสี่นั้นน่วิธีพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเพื่อให้เห็นความจริงของเวทนาและจะได้เป็น หลั ก, กจิตใจของเราในอนาคตถึงคราวจวนตัวเข้ามาจริงๆแล้วเราจะมีทางต้านทานต่อสู้เรื่องของทุกนี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องมีความเดือดร้อนหรือท้อแท้อ่อนแอแต่อย่างใดเมื่อทุกถึงคราวจำเป็นจริงๆเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าคราวจะตายยิ่งจะทุกมากกว่าคราวนี้ แล้วเราจะอะไรต่อสู้ถึงเราจะทอดแท้อดอแอร์ทุ ก, ก็ต้องดำเนินตามหน้าที่ของตนจนถึงจุดสุดท้ายร่างกายจะต้องแตกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจะไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นหากว่าเราจะไม่พยายามตัก ต, กตวงเอาเสียในขณะนี้แล้วตายแล้วจะทำความเพียรกันได้ที่ไหนนี่เราต้องสั่งสอนเราโดยวิธีนี้ใครจะเป็นผู้ลืกฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ขึ้นมาได้เป็นลาดับลาดับ นอกจากเราคนเดียวนี่เท่านั้นจะเป็นผู้ลื้อฟื้นตนเองความจมอยู่ในทุกขจะเป็นทุกข์ประเภทไหนก็าตามจะเป็นวัตตะในกําเนิดไหนก็าตามมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวนี่ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้แก้ไขปมอันนี้ให้ได้ไปตามลาดับลาดับแล้ว เรื่องของทุกข์ทั้งมวลก็จะมารวมอยู่ที่หังมใจของเรานี่เราต้องตั้งความอาจฐานอย่างนี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ได้คติที่องคอาจคราหารขึ้นจากการพิจารณาเวทนาซึ่งปรากฏปรากฏอยู่ในเวลานั้นไปต่อสู้กับเวทนาในวาระสุดท้ายผู้นั้นจะ ตายด้วยความองอาจกล้าหาญเพราะได้สัตตราอาวุธไว้เพียงพอแล้วได้แก่อุบายต่างๆซึ่งได้เคยพิจารณาแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นคนดีๆอยู่นี้ี่นอกจากว่าเราจะได้อุบายวิธีต่อสู้กับเบธานาส่วนใหญ่แล้วเรายังจะได้อุบายถอดถอนความสำคัญมั่นหมาย ในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องเวทนาเรื่องธรรมทั้งหลายออกจากใจที่แท้จริงนั้นได้อีกคำว่าจิตในสติปัฏฐานสีน่นี้เป็นจิตที่คุกคาก้ากันกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกระแสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆท่านจึงให้นามว่าจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์วิมุตถ้าหาว่าธรรมชาติ จิตในสติปัฏฐานสี่เป็นจิตแต่มิมุติแล้วกายก็ต้องเป็นมิมุติเวทนาก็ต้องเป็นมิมุติรมก็ต้องเป็นมิมุติแต่นี้เพราะเป็นทางเดินของจิตเท่านั้นเรียกว่าเป็นหิหนลับจิตใจของเราให้คมกล้าได้ด้วยอำนาจการพิจารณาการเวทนาจิตธรรม แต่เราไม่ฉลาดในการพิจารณาจึงเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เอาหินไปรับเอามีดไปรับหินแทนที่จะเอามีดรับหินกลับเอาหินเอามีดไปฟันหินให้เสียผลปี้ไปก็ขาดประโยชน์อีกมากมายและเสียทั้งมีดนั้นด้วย พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจานากายเวทนาจิต ธ, ธรรมเพื่อเป็นหินรับปัญญาให้มีความแกล้าหาสามารถถอดถอนตนออกจากสติปัฏฐานทั้งสี่ที่เคยถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แต่กลับกลายเข้าไปคลุกคล้าสัมพันธ์กันจนปรากฏ เ, เป็นอุปเป็นอุปทานทั่วทั้งกายทั้งจิตทั้งเวทนาจิต ธ, ธรรมแล้วกลายเป็นตัวขึ้นมากลายเป็นเราขึ้นมาเรากับสติปัฏฐานสี่จึงแยกกันไม่ออก อะไรมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเรากายมีความไม่คนนีการเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราเวทนาแสดงขึ้นมาทุกบ้างเล็กๆน้อยๆก็กระเทือนถึงเราจิตคิดวุ่นวายไปเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราธรรมารมปากฏขึ้นพาในใจก็กระเทือนถึงเราเพราะเรากับสติปัฏฐานสีมันคลุกเคล้ากันจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นของที่ควรทิ้งควรปล่อยวางอะไรเป็นของที่ควรยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อดาเนินต่อไป มันคลุกเคล้ากันหมดทั้งของดีของชั่วเหมือนกันกันกบข้าวเปลือกทั้งข้าวสารทั้งแกลบทั้งรำคลุกเคล้ากันเวลามารับทานไม่มีความอะเด็ดอร่อยนอกจากจะทําพิษให้เราเท่านั้นนี่อุบายวิธีพิจารณาเรื่องสติปาาัฏฐานก็เพื่อจะเป็นหินรับปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดและให้รู้เท่าทันในเรื่องของกาย ของเวทนาของจิตของธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจากจิตที่แท้จริงของเราแล้วจะได้แยกสิ่งทั้งสี่นี้กับจิตออกจากกันได้เป็นลำดับถึงคราวจะมีความทุกข์ความลำบากขึ้นมาก็พอมีทางหลีกเล้นและมีทางปิดตัวได้เพราะเคยที่เจริญ น, นามา เงือบสรุปความลงย่อๆก็คือว่าทุกสัมมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางก้าวไปของจิตสติปทานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นทางเดินของจิตเช่นเดียวกันแต่เราไม่ฉลาดก็ถือทางเดินนั้นว่าเป็นเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเสียยึงเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะถือผิดนี่ในอธิบายถึงเรื่อง การฝึกฝนประมาณตนเองโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอแล้วพยายามให้มีความสัตว์ความจริงต่อตนเองวันหนึ่งต้องรู้ไม่ต้องสงสยัยขอให้มีใจอาหารเราอย่ากลัวเวทนาถ้าเรายังเห็นเวทนาเป็นภัยต่อเราเมื่อไรแล้วไม่อยากจะพิจารณา ห้เห็นตามหลักความจริงของเวทนานั่นแล้วเวทนากับเราจะแยกจากกันไม่ออกแล้วจะเป็นการสางวนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหาทางแก้ไขกันไม่ได้และเวทนาก็มีทางที่จะแสดงตัวขึ้นเป็นการทับถมเราได้ทุกๆเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะเราไม่มีทางปรีดแย ก, กตัวเองจากเวทนานั้นพอให้รับความเป็นสุขภายในใจบ้าง เนื่องจากการอบรมจิตใจของเราไม่เพียงพอต่อการเห็นแจ้งซึ่งเวทนานั้นเวทนากับเราจึงกลายเป็นอันเดียวกันนี่วิธีพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเวทนาที่ท่านกล่าวว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามหลักปรยัติท่านกล่าวไว้ เมื่อเราพิจารณาให้เห็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าหาที่แย้งไม่ได้เลยต่างอันก็ต่างจริงเช่นนั้นแม้จะจริงในขณะเดียวก็ตามเราก็พอจะได้หลักฐานพยานเป็นหลักใจของเราและจะมีแจ่ใจในการดำเนินในวาระต่อไป เมื่อกิตได้พิจารณาตามหลักที่กล่าวมานี้โดยมีเขตแดนปักปันเอาไว้่ให้กิตล่วงล้ำออกไปสู่ที่อื่นให้ท่องเที่ยวพิจารณาอยู่ตามบริเวณที่กล่าวนี้แล้วต้องรู้ชัดในเรื่องเวทนาด้วยในเรื่องกายด้วย ในเรื่องความสงบของจิตด้วยในเรื่องธรรมารมณ์สงบไปจากใจด้วยในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตได้่จะได้รวมลงไปหรือได้สงบลงไปเพราะอำนาจแห่งการเห็นแจ้งในทัติประฐานทั้งสีนี้จะเป็นจิตที่องค์อาจกล้าหาญไม่มีอะไรที่จะเทียบ และจะเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขอัอศจรรย์อันหนึ่งในเวลานั้นเมื่อถอนออกมาจากนั้นแล้วจะมีความพอใจในการพิจารณาเวทนาและมีความพอใจในการต่อสู้กับเวทนาโดยเป็นความเข้าใจว่าถึงเวทนาจะมากยิ่งกว่านี้ก็ตาม ก็เป็นเรื่องของเวทนาที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้ได้เท่านั้นไม่ใช่เวทนานี้จะสามารถมาปกปิดกำบังความรู้นี้ให้หลงไปตามนั้นนี่เพราะเราได้หลักฐานไว้แล้วจิตที่มีความสงบตัวลงไปจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็าตาม เราจะได้เห็นว่าความสุขนั้นเกิดในจุดนั้นในเวลาที่จิตสงบนั้นถ้ายังไม่สงบก็ไม่เป็นสุขไม่สบายเมื่อสงบแล้วก็ปล่อยภาระความคิดอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดปล่อยเรียกว่าจิตหยุดงาน พักผ่อนตัวเองก็มีความสุขสบายผลแห่งการภาวนาต้องเห็นไปจากเช่นนี้ไม่ใช่ว่าการทำกุณงามความดีเราจะไปคอยเอาโลกหน้าชาติหน้าการภาวนาก็จะคอยเอานิพพานที่ไหนผู้ใดเป็นผู้ทำผู้นั้นผลต้องปรากฏขึ้นจากการกระทำนั้น และเป็นของผู้นั้นประจักอยกับผู้นั้นเป็นลำดับลำดับไปนับตั้งแต่วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องประจักกับกิจนี้เช่นเดียวกับพระพุทธทเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทราบว่าเสาปพาทิเศ ส, สนิพานได้แ ก, ก่กิตที่สิ้นกิเลสปินนบัตนี้อนุพ า, นาทิเศ ส, สนิพาน คือนิพพานที่พ้นจากขันนี้ไปแล้วนะท่านทราบได้ทั้งนิพพานปัจจุบันและนิพพานอนาคตที่ผ่านพ้นจากขันนี้ไปแล้วรู้ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นาศาสนาธรรมคําสอนของพระพุเทธเจ้าจึงไม่ใช่ตุกตาเป็นเครื่องลออ่อเด็กมาทำบุญชาตินี้จะไปได้ชาญหน้าเท่านั้น ชาตินี้จะไม่ปรากฏผลความสุขอันใดเกิดขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นเลยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่มีสืบต่อกันเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ขณะที่เราทำลงไปชาตินี้จนถึงชาติหน้าผลต้องต่อเนื่องกันเป็นลาดับไม่ได้ขาดว่าขาดตอนถึงจะกลับมาเกิดอีกผลแห่งบุญที่ตนได้สร้าง สมอบรมไว้นั้นก็จะต้องติดต่อขแขนงกันมาให้มากเกิดพระชนนท่านจึงกล่าวไว้ว่ากรรมมังสเตวิพาชาัชติยะดีดังหีนับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกจัดให้มีความแตกต่างกันน่กกรรมแนกทั้งปัจจุบันกรรมแนกทั้งอนาคตไปข้างหน้าเรื่องของกรรมและต้องจำแนกไปเรื่อย ตามแต่เราทำไม่มากน้อยหนักเบาดีชั่วนี่เราจะเห็นได้บ่าทั้งคนทั้งสัตว์แม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ตามคนประเภทเดียวกันก็ตามมีลักษณะต่างๆกันทั้งรูปร่างกลางตัวความรู้ความชนะด<ม>อำนาจวาสนาความรู้วิ ช, ชาหรือฐานะสูงต่ำมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่เช่นนี้ ลักษณะที่เป็นทั้งนี้ก็ต้องเป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมในอดีตเป็นเครื่องหนุนมาในปัจจุบันให้เราได้สั่งสมอบรมกรรมนั้นให้เด่นขึ้นอีกพอกรรมหนุน ก, กรรมก็เป็นความดีขึ้นมาทัานทีเมื่อเราได้สร้างกรรมนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะหนุนเราไปข้างหน้าอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกรรมก็หมดติดหมดอํานาจ ไม่สามารถจะส่งต่อไปอีกได้แล้วเพราะถึงจุดหมายปลายทาง น, นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ประมาทกรรมเึ่งทาความชั่วอาความชั่วว่าเป็นของเล็กน้อยท่านก็ไม่ประมาททาดีว่าเป็นของเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราคิดดูสิเม็ดข้าวนิดๆเลี้ยง คนทั้งแผ่นดินทั้งโลกกันยังได้หลายเม็ดต่อหลายเม็ดเขาเลียงได้ทั้งคนทั้งโลกได้บุญก็มีลักษณะเช่นเดียวกั น, นพยายามสังสมกรรมดีเข้าไว้ในจิตใจเยียวกว่าเราเป็นนายช่างเองตรงแต่งจิตใจของเราให้ดีตรงแต่งการกระทำการการพูดของเราให้ดี ด้วยอำนาจแห่งการปรุงแต่งจิตใจดีแล้วนั้นกายวาจาใจทุกด้านต้องดีไปตามๆกันวันนี้ดีวันหน้าก็ต้องดีเพราะการดัดแปลงดัดแปลงทั้งวันนี้ทั้งวันหน้าชาตินี้ดีชาติหน้าก็ต้องดีเรื่องพบเรื่องชาติชาตินี้ชาติหน้าก็เทียบกันหน้ากับเมื่อวานนี้กับวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นของที่สืบต่อกันมาอย่างนี้ไม่เคยขาดฟู้ไปที่ไหน จากวันนี้ก็ต้องมาเป็นวันนี้จากวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้จากโลกนี้ก็ไปโลกนั้นจากโลกนั้นก็มาโลกนี้เพราะธรรมชาติที่ให้เป็นไปในโลกนั้นมันมีอยู่กับเราเราจะปฏิเสธไม่ให้มันเป็นไม่ได้นอกจากจะเราจะปฏิเสธโดยความเปลี่ยนของเราตาทให้ขาดจากเชื่อทั้งหลายเสียเมื่อเชื่อมันหมดไปจริงๆแล้วเราจะบังคับให้เกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวอย่างข้าของเรา ที่หุใหงให้สุกแล้วต้มให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดบางครับให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะหมดเชือ้อลักษณะของใจที่หมดเชื้อก็จําเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วรู้ได้เฉพาะตัวเองอีกด้วยว่าหมดสถานที่หมดทางที่จะเกิดได้อยู่แล้วข้าวที่มีที่หุงต้มสุกแล้วมีรสขนาดไหนผิดกันกันกบข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่มากมาย ลักษณะของจิตที่ได้รับการหุงต้มคือการอบรมให้เป็นจิตที่สุขเรียบร้อยแล้วก็ต้องแสดงความสุขให้เจ้าของได้รับผลอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจต่อจิตที่เป็นของมีคุณค่าภายในตัวของเราโรคที่ปรากฏว่าเป็นโรคอันเจริญก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองโรคอยู่ร่างกายที่ เป็นไปในกิจการต่างๆสามารถจะทำโลกให้จเจริญได้ก็เนื่องจากจิตใจที่คลองอยู่นี้เพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในตัวเองจะไม่เสียผลประโยชน์ทั้งโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราก็ให้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์แก่เราอีกไม่น้อยนั่นนะอาวาสานแห่งพระธรรมเทศน์นั้น ขอบุญญาลูกพากอ ง, องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมตรรงประธรรมในพระสงฆ์จงมาปกคลายเราทันตั้งหลายให้มีความสุขกาสบายใจและสมตามความมาตรฐถนาโดยทุนากันเธอ